หนึ่งปัตตวัคสิกขาบทที่11ว่าด้วยการขอพระห่มนาในฤดูหนาเรื่องพิกุณีทุลนันทา783สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกุงสาวัตถีครั้งนั้นพิกุณีทุลนันทาเป็นผ้าหูสูตรเป็นนักพูดกล้าวกล้าสามารถกล่าวทำมีกถา สมัยนั้นในฤดูหนาวพระเจ้าประสิทธิโกศลส่สงภาคกัมพลราคาแพงเข้าไปหาภิกษุณีทุลนันธาถึงที่อยู่ส่งอภิวาสแล้วประทับนั่งนาที่สมควรภิกษุณีทุลนันธาชี้แจงให้พระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ประทับนั่งนาที่สมควรเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อานหันแกล้ากล้าปลอบเโลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศล ผู้ซึ่งภิกษุณีทุลนันธาชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อา่านฐานกล้ากรลอบชโลิมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้ตรัสกับภิกษุณีทุลนันธาดังนี้ว่าแม่เจ้าท่านต้องการสิ่งใดก็โปรดได้บอกเถิดภิกษุณีทุลนันธานั้นทูลว่าขอถวายพระพรถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จากพระราชทาน ก็ขอได้โปรดพระราชทานผ้ากัมพลพื้นนี้เถิดครั้งนั้นพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลถวายภาคกัมพลพืนนั้นแก่ภิกษุณีทุลันทาเสด็จลุกจากที่ประทับนั่งทรงปรพิวาทภิกษุณีทุลันทาแล้วทำประทักศีนเสด็จจากไปพวกชาวบ้านตนําหนิประนามโพลธนาว่าพวกภิกษุณีเป็นคนมากๆไม่สันโดษฉะนั้นจึงออกปากทูลขอผ้ากัมพลจาก พระราชาเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตาหนิประนามพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยตาหนิประนามโพลธนาว่าจะในแม่เจ้าทุลนันทาจึงออกปากทูลขอภากําพลจากพระราชาเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นาเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ